คันตีร่วมมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิงย่งในอินเดียทั้งพุทธการเองก็มีพวกเจ้าลัทธิที่ขัญญัติเรื่องการฆ่าคะแนรใช้เหตุผลในการนิยามศักจากพวกเจ้าลัทธิพวกนี้ปรากฏอยู่ในพุทธศาสนาเราเรียกชื่อว่าพวกนี้เป็นพวกสุทธาสุทธาตักกีพวกสุทธาตักกีหรือเรียกันในภาษามักพว่าตักกี ปะ ก, กีคือ พ, พวกเจ้าของเจ้าความคิดเจ้าความนึกเจ้าพวกเจ้าคอยหม้อความเจ้าพวกที่ให้เหตุให้ผลอาศัยหลักของเหตุผลมาวิจารณ์ในเรื่องข้อเท็จจริงของปัจจักบางทีข้อวิจารณ์อันนั้นก็เป็นการข้อวิจารณ์ในเรื่องของอัตตาหรือโดยมากเช่นในทิฏฐิหสองท่านแสดงถึงว่าพวกสักตตะวาทีคืออาจารย์ที่ถือว่ามีอัตตาเที่ยงพวกนี้แบ่งเป็นหลายท่านด้วยกัน ในจําพวกที่แบ่งเป็นหลายพันนั้นจําพวกหนึ่งเป็นพวกตักทีคือใช้หลักตักตาวิจารในการที่จะพิสูจน์ว่ามีอัตาพวกใช้ปักสวิจารในการพิสูจน์ว่ามีอาตาัตรานี่แหละท่านยังแบ่งต่อออกเป็นหนึ่งพวกที่เป็นใช้อนุอนุสติกาคือใช้หลักอนุสติตามระลึกไปยกท่านยกตัวอย่างว่าตามระลึกถึงเรื่องราว ในเรื่องชาดุที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตชาติสวยประชาติเป็นพระภูติปัตองค์นั่นองค์นี้แล้วก็คิดขาดเสน่์ไปตามว่าเมื่อพระภูติปัดชื่อนั้นชื่อนี้คืออดีตภพของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ถ้าเช่นนั้นแล้วอัตราของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันกับอัตราของพระภูติปัดในอดีตนั้นต้องเป็นอัตราอัตราเดียวกัน เพราะฉะนั้นอัปปาจึงเป็นของเทียอันนี้เป็นบาระอันหนึ่งของพูกที่ใช้อนุสติใช้หลักหลักการในทางอนุสติตามระลึกเทียบเทียงอีกพวกหนึ่งเป็นชาติอนุตรณายานใช้ตามบรรลุชาติได้พูกนี้ได้แก่พวกที่ทําฌานทำสมาบัติได้ตามบรรลุชาติถอยหลังไปสิชาติบั่งยี่สิชาติบ้างกลับหนึ่งบ้างยิ่งกว่ับบ้างร้อยกลับบ้างพันมหากลับบ้าง เมื่อตามมรึกไปก็เห็นตัวเองไปเกิดเป็นหมูเป็นแมวเป็นหมาเป็นพรมเป็นเทวดาเป็นอินเป็นยมเป็นยักษ์ต่างๆนานาก็เลยคาดคะเนว่าอัตตาของตัวน่ะเพียงอันเดียวกันเพราะอัตตาตัวนี้แหละไปเข้าร่างพวกนั้นเป็นอย่างนั้นพวกนี้เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นบอกเกิดของพระคิ่สี่ถือตะตวาทีอีกพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งท่านเรียกว่าพวกราธีคือพวกราพีพวกนี้น่ะเที่ยงเทียงเดี๋ยวเอาตัวเป็นประมานว่าปัจจุบันตัวน่ะมีอะไรเป็นของตน ในอดีตตัวก็น่าจะมีอย่างนั้นเป็นของตนในอนาคตตัวกน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นของตนยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเราเกิดมาเป็นคนต่อแสดงว่าชาติตอนเราก็คงต้องเป็นคนมาก่อนและแสดงว่าในอนาคตคือชาติหน <éc> ้าเราก็ต้องเป็นคนอีกต <ız. S 2> ่อไปปัจจุบันเราเกิดเป็นหมาต่อแสดงว่าชาติตอนเราคงเป็นหมามาแล้วและในอนาคตข้างหน้าเราก็ต้งเป็นหมาต่อไปอาการการคิดขาดคเนเช่นนี้เรียกว่าพวกราพีคือพวกที่ อิดธาคเนเอาสิ่งที่ตัวได้ตัวมีอยู่ในปัจจุบันไปอย่างอดีตอย่างอนาคตนี่เป็นตักพวกาอจิกคือพูดตั ก, กประเภทที่สาประเภทที่สี่คือพวกสุทธาติกาวาทีคือพวกที่ใช้ความตรึงตรองล้วนๆใช้หลักเหตุผลล้วนๆพวกนี้แหละเป็นพวกที่เราจะพูดถึงคือพวกรลอยิบแท้ๆพวกนี้ไม่ได้ใช้ความตามประวัติย้อนหลังไปอดีต พวกนี้ไม่ได้ใช่ตามอรรถชาติได้มีอํนน า, านาจทางสมาบัติพวกนี้ไม่ได้ใช่ลักษณะที่ตัวได้มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเครื่องวัดอดีตอย่างอนาคตแต่เพราะว่าพวกนี้เป็นพวกที่ใช้หลักเหตุผลแพทย์ล้วนๆมาจับแล้วก็อธิบายเป็นคู่เป็นแคลออกมาว่าเนี่ยปตาสําหรับไปเยี่ยงว่ายายเกิดดืนโรง่ไม่คงบุเจเสาแบบเนีย่ยพวกนี้ ใช้ความตรึกตรองคือใช้หลักเหตุผลอันอนาศัยความตรึกความตรองวุ่นวุว่นจึงเรียกว่าสุทธะกิกาเพรสุขตะกิการวมสิริรวมแล้วสีพวส่พวกด้วยกันในสี่พวกนี้ในข้าพุทธตามมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสห้ามมาไว้ในกาลามาสุตว่ามาตต่เหิุถูกท่านอย่าได้ใช้ความตรึกตามอาการ น, นะคือว่าพูดง่ายๆว่าอย่าได้ใช้หลักลอยิก ในการที่จะวิเคราะห์ความจริงเช่นหนึ่งถ้ามีทานเป็นต้น จ, จ, จะใช้หลักลอยหยิดมามาวัดไม่ได้นะมาในยเหตุตุยาได้คาดคะเนตามอาการนะมาปักกเหตุุก็ดีมาในยเหตุุก็ดีทั้งสองอันนี้เป็นเรื่องของลอยหยุดนลวลอีกอันหนึ่งก็คือมาอาตาระปริบิปักเกนะนี่มาให้ตึกกรองท่องเถี่ยวดิอาการตึกกรองตามอาการทั้งสามอันนี้เป็นไวพดแต่กัน มาตะเคเหตุหนึ่งมาเนยะเหตุหนึ่งมาอาการะบริวิตรกีณหนึ่งทั้งสามอันนี้เป็นอันว่าพระศาสดาได้ทรงปฏิเสธวิชาลอยด์ในกาลามาสุดแล้วคือว่าห้ามไม่ให้ใช้หลักลอยิกในการที่จะวิเคราะห์ความจริงเช่นเรื่องพระนิพพ า, านหรือเรื่องอริยสัจทำไมพระพุทธองค์จึงได้ห้ามไม่ให้ใช้วิชาลอยิกแต่ภายหลังพุทธศาสนาจึงได้มีวิชาลอยิก เข้ามาใช่กันเกินกราดมากในข้อนี้เราก็ต้องวิเคราะห์พุทธประสงค์เดิมซะก่อนคือว่าลักษณะของพุทธศาสนานี้เป็นลักษณะต้องการทางภาษาบาลาปัจิบาลเขาเรียกว่าเป็นพวกปิกฐานนิยมแปลว่าพวกที่ต้องการให้ทำจริงได้ผลจริงทันตาเห็นพวกที่ต้องการทำจริงได้ผลจริงไม่ใช่พวกที่ดีแต่พวกดีแต่ตทีสีปา หรือว่าดีแต่ใช้ความคิดหรือว่าดีแต่นั่งเพ้อฝันไม่ใช่ต้องการอย่างนั้นเช่นว่าการพ้นทุกข์อย่างนี้เราจะมาคิดนั่งคิดนอนคิดใ น, นทุกข์อย่างเดียวก็ไม่ได้หรือว่าเรื่องอยากจะได้มรรคผิานเราจะมาตั้งางหลังอย่างลอยว่าอยากจะได้มิพานาาาาาาาาชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่ได้หรือแม้แต่จะอาศัยการศึกษาเทียบเทียงแล้วก็จะพาเราให้เข้าถึงมิพานก็ไม่ได้ แต่ต้องลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักการศึกษาในพุทธศาสนาท่านจึงวางรากฐานออกเป็นสชั้นคือปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาและปฏิเวทศาสนาปริยัติศาสนาก็คือว่าการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีปฏิบัติติศาสนาก็คือว่าการทำตามหลักทฤษฎีนั้นแล้วกินได้ปฏิเวทศาสนาคือได้ผลอันเกิดจากความรู้และการปฏิบัติ เพราะเห็นอันเมื่อมีผู้ตั้งปัญหาถามภาษาสดาว่าในหมู่เทวดาเรามนุษย์นั้นผู้ใดเป็นผู้ประเสอที่สุดขอให้เขาเอาไน้ชี้ขาลงมาทีเดียวว่าใครเป็นผู้ที่กระเสอที่สุดในหมู่เทวดาเรามนุษย์พระพุทธเจ้าก็ตรตัสตอบไปว่าวิ ช, ชาเจรณะตั้มันโนโซเซโอเดมานุเซผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และปฏิบัติตามความรู้ได้คือถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและเจรณะ ผู้นั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในหมูม่เทวดาและมนุษย์ไม่ได้ทูงผูกขาดความกระเสริฐไปอยู่ที่เทวดาหรือทรงผูกขาดความกระเสริฐไปอยู่ที่มนุษย์เทวดาใบก็ตามมนุษย์ใบก็ตามถ้ารู้แล้วปฏิบัติไม่ได้พู้นั้นจะไม่ประเสริฐแต่ถ้าผู้ใดรู้แล้วทําตามที่ตนรู้ได้ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในหมูม่เทวดาและมนุษย์ถลายอันนี้ลักษณะการตัดสินคุณสมบัติของบุคคลในพุทธศาสนา จึงแตกต่างกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นมีการตัดสินคุณลูบัตรที่คนน่ะอยู่ที่ชาติทกำเนิดยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าพระเจ้ากาเนิดทุกท่านน่ะเป็นพระเจ้าลงมาโดยกันเลิดเพราะฉะนั้นในนี้ที่ใดทจะกระเสริ่กว่าพระองค์นี่เป็นการตัดสินโดยถือชาติกำเนิดเป็นใหญ่แม้พระเจ้าจะประดิษฐ์โลกเกหนุ่มฉิวบันบาให้ไฟไหม้โูกบันดาไม่ลกหาล่างโลกบันดาในเกิดน้ำท่วมโลกคุณตายไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน รวมทั้งสปีรฉานษษษที่ไม่รู้ตุ่งรูปไรยมุดเอวยุงเอายใส่เดินทิ้งกิโลไรเป็นต้าเป็นฝนลุ่มจมหายสูงตายไปด้วยนับไม่ถวนตัวเป็นขุดโกดีเดียวอย่างนี้ไม่สำคัญสำคัญที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระเจ้านั่นแหละพระโซลที่สุดคนอืนแม้จะปฏิบัติตัดีอย่างไรไม่โกดอย่างพระเจา้าโกดไม่โลกอย่างพระเจา้าโลกไม่ล้มอย่างพระเจ้าล้คนนั้นก็ไม่ประเซ สู้พระเจ้าไม่ได้อันนี้แปลว่าศาสนานั้นตัดสินคุณสมบัติทั้งหมดคนด้ชาติพิกาเนิดเป็นใหญ่ไม่ได้ตัสินเรื่องความประพฤติหรือคุณในสมบัติทางใจเป็นใหญ่แต่ในทางพุตตาศาสนาไม่ได้ถืชาติพิกาเนิดเป็นใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ถือวชาวความรู้คุณวุฒิเป็นใหญ่แต่ถือว่าตัวที่เราได้ประพฤติได้ตามที่ตัวรู้นี่แหละเป็นใหญ่สำคัญที่สุดว่ยิยญาณวุฒิก็ดีคุณวุฒิก็ดีชาติพรุธที่ก็ดีทั้งสามนั้น สู่ความรู้อันถือทองด้วยความประพฤติไม่ได่าดุจรูร้ทองด้วยคามประพฤติจึงเป็นผู้ที่เติบโตสุดเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้อุดมมาคติในพุตตสัสนะจึงชี้ตรงไปที่ในหลักของปฏิบัติเพาเหตุ น, นั้นเราท่านจะพยายามคํ า, า, าว่าศาสนาวศาสนาหนาใจว่าอะไรในคําว่าศาสนาใจว่าอะไ ร, นะ ร, กกรหนาพวกกำลังกท่านจะตั้งข้อหาว่าคุตตสัสนาไม่เป็นศาสน า, าโดยเอาคําว่ารีเรย มาวิเคราะห์ว่าพุทธศาสนาไม่เฉลี่ยยันเมื่อไม่เฉลี่ยยันแล้วพุทธศาสนาจิงไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นเพียงฟิโลสอฟีคือเป็นเพียงตรัรกะคำกล่าวหาเช่นนี้ก็หมุงกับคนที่ตั้งเป็นตั้ ง, ต, งตั้งตัวขึ้นมาว่าคนที่กินขนมปังเท่านั้นจึงเป็นคนถ้าคนใดไม่กินขนมปังเป็นอาหารคนนั้นไม่ใช่คนท่านคุณฟังลองนึอยู่สิว่าถ้าใครมาตั้างปัญหาเช่นนี้ท่านจะยอมรับไหม ว่าการตั้งประเด็นโจทยอย่างนี้เนี่ยเป็นการตั้งเข้าข้างตัวข้างๆตัวหรือว่าตั้งตามเหตุผลเพราะว่าคนจะเป็นคนหรือไ ม, นนไม่ใช่คนก็จะอยู่ี่ปัญหาว่ากินไข่เจ้าเป็นอาหารหรือกินข้าเหนียวเป็นอาหารหรือกินขนมปังเป็นอาหารก็มีได้มันแล้วแต่ชาติภูมิความเคยชินสิ่งแวดล้อมฉันใด้เพืที่กล่าวว่าพุทธศาสนาเป็นเพียงปรัชญาไม่ใช่ศาสนา ก็นี้อุตมะฉันนั่นคือเหมือนกับคนที่ตัง้งโจทย์ขึ้นบอกว่าคนที่กินขนมปังคนนั้นถึงจะเป็นคนถ้าใครไม่กินขนมปังคนนั้นไม่ใช่คนแบบนี้เลยครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นการตั้งเจทยอย่างอุปติธรรมถ้าโดยเนื้อหาแล้วอะไรจป็นขึ้นกําหนดคําว่าลิเดียว่าลิเดยนั้นเป็นภาษาโรมันท่านกำหนด ว, วนนนาา่านนลิเยโดยคุณลักษณะหมายถึงความถูกพัน กับสิ่งลึกัวามที่จะต้องเชื่ออย่างคงใจเต็มร้อยเปในสิ่งลิกลับซึ่งเป็นผู้สร้างสารรค์โลกถ้าจะวิเคราะห์ลิเลียนตามนายยัยะเช่นนี้คุปตปาตนาก็ไม่ใช่ลิเลยแต่อีกวิเคราะห์หนึ่งท่านตั้งว่าลีเลียนนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติบางต่อไปนี้คือหนไม่อุบาทดาคู่ตางส มีคำสั่งและคำสอนคำสั่งให้ทำคำสอนให้ปฏิบัติ 3- มีคณะบุคคลเป็นผู้กำกับักษาสถาบันของคำสั่งและคำสอนนั้นให้สืบทอดอย่างืนมาได้ประกอบด้วยระบบขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแประเพณีที่สืบทอดกันมาใครที่มีคุณสมบัติสถาบันใดมีคุณสมบัติขประการสถาบันอันนั้นก็เป็นเรียน ถ้าจะถือตามวิเคราะห์ในหลังพุทธศาสนาจะเป็นลิลิยัน ร, รน้อยเปอรซเพราะเรามีองค์พระปากดาคือพระพุทธองค์เรามีวินัยอันเป็นคำสัง่งมีธรรมะอันเป็นคำสอนรวมกันหมดก็เป็นธรรมวินยัยเป็นตัวสัตว์ทุศาร์เรามีคณะนักบววคือประกอบด้วยภิกษุพระพุทธบริษัทและอุบาสกอุบาสิกาที่ถือัฒนธรรมธรรม เ, เนียมประเพณีอันหนึ่ง ในศาสนาสืบท อ, อดกันมาเป็นประยะั่งสองพันกว่าปีแล้วถ้าฉะนั้นโดยในยนามีศาสนาพุทธเป็นลิเลียนร้อยเปราเซ็นฉะนั้นเราต้องโยนมันหาถามผู้ที่ตั้งข้อกล่าวหาว่าจะเอาพุทธศาสนาในแง่ใดถ้าจะว่าพุทธศาสนาในแง่จะต้องคือพันศัทาใัยพระุท้าพุทธศาสนาไม่เฉลีิยเย่ยนแต่จะว่า พุทธศาสนาในข้อที่วาจะต้องประกอบเป็นองศาสดาประกอบเป็นคําสั่งคําสอนประกอบเป็นคณะนักบวชสถาบันผู้ถือปฏิบัติตามอย่างนี้พุทธศาสนาเป็นลีเรียนร้อยเสร็จข้างนั้นผมจึงอยากจะพูดว่าพุทธศาสนานั้นเป็นทั้งลีเรียนและไม่ใช่ลีเรีนแล้วแต่ว่าเราจะพูดไปแง่ใดมีประการหนึ่งออีกประการหนึ่งในข้อที่เขากล่าวหาว่าศาสนาพุทธเป็นเพียงปีลอซีก็ไม่เป็ความจริง เพราะวาไมาแล้วศาสนาพุทธมีลักษณะเป็นปฏิฐานแน่นอนเมื่อที่เราใส่ใจนั่นก็คือรอยนักปรัชญาเมพีส่วนใหญ่ก็คือพวกที่ใช้สุทธะปัจจิตะความเกิความลุคค่าเน่์แล้วก็สร้างกฎบบปรชัชญาผู้ตัวออกมาเพราะฉะนั้นนักปรัชญาเมพีจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นนักปรัชญาที่ต้องชี้ความหมายว่า นักปราชญาเมตีกับนักตรรุนนั้นแตกต่างกันมากนักปรัชญาเมตีคือผู้ที่ใช้หลักเท็จจริงสําหรับรูปความความจรงิงโดยที่ตัวเองไม่ต้องเข้าถึงความจริงนั้นใช้การขาดคะเนความจริงเอาโดยหลักของเหตุผลที่ตัวสร้างขึ้นสร้างทิศฎีขึ้นมาส่วนนักตรรู้นั้นหมายถึงผู้ที่เข้าถึงความจริงด้วยตายวาจาใจ ของท่านเองโดยแท้เพราะฉะนั้นโดยในยะนี้าศาสนาพุทธไนเฉลี่ยรอส่ออีกพ่อศาสน า, าพุทธเป็นศัจทธรรมไม่ใช่เกิดจากการคาดคะเลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาอุษาหักวิริยภาพในการค้นคว้าศัจทธรรมอันนี้ไม่เวลาถึงแสนถึงหลายหากับไม่ใช่เป็นเวลาไม่ใช่ได้ดีอย่างลอยลอยไม่ใช่ได้ดีอย่างมีเหตุผลแต่ต้องลงุ่นเงมนทองค้นคว้าเป็นจํานาวตาานตั้งแสนถึงหลายหากับแล้วก็เอาระยาเตั้สที่สุดก็หกปี ทีสว่งหาวิโมกขันกะทั่งในต่อศัตรูและการศัตรูนั้นเราต้องเหตได้จากในอริยสัจที่ท่านแยกติดในอริยสัจออกเป็นสามคือว่าเป็่งสติญานติติญาณกัตยาญาณท่านใช้คำว่ายานนะไม่ใช้คาว่าธาทะเลค ว, า, ว า, ามตักตะไม่ใช้คำว่ายานะญาณนัสนะนนนะและท่าย้าไม่คาหนูยถาภูตญาณนัทสนะหมายถึงความรู้แจ้งห็นจริงตามที่จริง ยะถาภูตะย่ำลงไปเลยปูตะคือความจริงยะถาคือความเป็นเช่นนั้นตามธรรมชาติยานลัทน่ะคือความเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามธรรมชาติตามที่เป็นจริงของมันเน่ย่างนี้เรียกยถาปูตยานละทศน่ะในอริยสัจท่านเป็นจักเป็นยานลัทศน่ะสามสามรอบสัจญานรู้ว่าเป็นทุกข์รู้ว่านี่เป็นเหตุของทุกข์รู้ว่านี่คือความดับทุกข์นี่ว่ารู้ว่านี่เป็น วิธีปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์ความรู้แจ้งอย่างนี้เป็นปัจจยานยานที่รู้แจ้งตามเป็นจริงปิจิยานรู้ว่าทุกข์นั้นควรที่จะกําหนดรู้นะเหตุเกิดของทุกข์นั้นควรจะละไปควรจะละแล้วก็ความดับทุกข์นั้นควรทําให้แจ่มส่วนวิธีปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์นั้นควรอบรมให้เกิดนี้นี่เป็นปิจิยานส่วนกัตยานั้นหมายถึงกิจที่ท่านได้ทําแล้วคือทุกข์ท่านก็ได้กาหนดรู้แล้ว กมุทยคือเหตุของทุกก็ได้ละแล้วนิโรธ ค, คือความดับทุกท่านก็ได้ทาให้แก้แล้ว่ามากักมีโองแปดอันเป็นวิธีไปสู่วความดับพุกท่านก็เดินครบพ้นแล้วอันนี้เป็นกระกระยานยานสามยานสามที่เป็นไปในอั น, นยัสัตอันนี้พระองค์จริตปิยานหลักพรองห์นะ่ะมีพุทธมจรรก็บแล้วชาติไปสิ้นแล้วพบหม่จากพุกวี้ไม่มี ปฏิญาณตเงเป็นสมัสมมาสัมพุทธเพราะฉะนั้นหลักความจริงพุทธศาสนาไม่ใช่ทีรอสติแต่ว่าพุทธศาสนาก็มีตีรอสติทำไมถึงถืกัมลอย่างนั้นเรว่าพุทธศาสนานึ่ง อ, อย่า้ า, าจะพูดแล้วก็เหมืน ล, ล, ลูกแก้วสอ่องดูเหลี่ยมไหนมุใดก็เห็นวฟตกแตรไม่เหมือนกันและเราจะไปส่องดีใมุมอะไ ร, ร, ล, ะไรลูกแก้ววิเศษเลยทีไส่องกระจ่างอาิต กูแสกตะกังสีก่งางกลายไปส่งกะแสงจันกูแสงมวลผงเย็นใจเย็นใจนี่แล้วแต่นี่าศาสนาพุทธก็เหมือนกันถ้าไม่พูดแบว่ า, าศาสนาพุทธไม่ใช่อสิโลีแลเป็นอสอิโลสตีทไมพูดอย่างนั้นที่ไม่ใช่อสอิโลสตีก็ไม่ใช่เป็นปรชาชญา่ะเพาศาสนาพุทธเป็นผลของือ ท, ที่ความตั้รู้นะที่เป็นอสิโลสซีนะ่ะก็เราะว่ า, าศาสนาพุทธนั้นอาจารย์รุ่นหลัง แต่ขยายความออกมาเช่นอัจกถานรุ่นรุ่นดีกามติของอัจกถาจารย์มติขันดียายกาอาจารย์มัติขันคันพระจนาจารย์มติเหล่านี้เป็นการแต่งข้อความขยายคุตธรรมติข้อความขยายคุตธรรมตินี้เป็นตีรอรติเข้าใจไหมครับข้อความที่พระอาจารย์รุ่นหลังแต่งขยายความนี่แหละเป็นตีรอรติเป็นปรช100ัชญาร้อยเด็ดเดียวกับุทธปรชัชญา ส่วนหลักในข้าใดที่เด็กแพ้ๆไม่ใช่ที่รอต่ติเป็นเรื่องัจธรรมพุทธวจนะเป็นศัจธรรมคําอธิบายพุทธวจนะของบุคคลเป็นที่รอตอติดกันง่ายอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าศาสนาพุทธเป็นทั้งริเรียนและไม่ใช่ริเรียนศาสนาพุทธเป็นทั้งที่รอตอติดและไม่ใช่ที่รอตติและแต่เราจะพูดในประเด็นไหนเพราะฉะนั้นต้องระวังในการที่จะชี้แจงข้อข้องใจให้ได้ คุยในมิเตั้งปัญหาถามว่ามาสนาพุเป็นวิญญาณไหมศาสนาพุทธเป็นพิโรธพี่ไหมเราต้องฉีดสภาวะให้เขาเห็นว่าจุดใดเป็นจุดใดไม่เป็นอย่าไปผูดมุมรุมกันหมดถ้าผูดรุมรุมกันหมดแล้วไม่ถูกไม่ถูกก็สภาวะในทุกศาสนาโยธาคะนี้มันรออยู่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธองค์ในส่วนปฏิเสธในกาลามาสูตรด้วยคำว่ามาตฏเหตุมาในเหตุ มาอาการะบริิตักเกณฑ์นะปฏิเสธอย่างนี้เพราะได้กามาแล้วว่าเรื่องวอธี l o g i ะเป็นเรู่อง่จะอยมอความที่ใช่หลักเหตุผลเข้าไปจับฆาตะเนย์ไม่ใช่เรื่องที่จะถาปูนตยานต่างกันมากเรื่องวิทยาดีในตอนที่จะจับเหตุผ ล, ล ก, กับเรื่องที่จะถาปูนตยานลักษณะต่างกั น, กนอุปมาใชยกับว่าองที่ไม่เคยไปอเมริกาแต่ว่าอ่านหนังสือนำเที่อเมริกาหลายเลื่อ แล้วก็สามารถเล็กโชบาพุให้แต่คณะนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวอเมริกาฟังว่าประธานไปอเมริกามัน่จะต้องขึ้นตึกเอ็มไ I s t a t หรือตึก m อ็มไ s ส a ต e จะมีอะไรบ้างแ ม, ม่ ค, มคูอเป็นขึ้นเป็นแถวเป็นหลังเป็นแ้วพูดจอดเดียวแต่ตัวเองเกิดมาไม่เคยไปอเมริกาเลยเพียงแต่ว่าอ่านเล่นเล่นบ้างจัดเล่นนี้บ้างวางแผนที่นู่นบ้างลูลูถ่ายเท่าบ้างแล้วก็ใช้สติป็ญยาตัวนนาถูรืรรเอเทา แล้วก็ออมาหากินได้แต่ท่านทำผู้เชี่ยวชาญในอเมริกาใครตลายเป็ผู้เชี่ยวชาญเนียอเมริกาไปก็ดอถ้าท่านที่ทไปเคยไปอเมริกาเลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนําเที่ยวอเมริกาไปแล้วจะถามมึงไหนเดี่ยวไหนก็ตอบได้หมดความรู้ของคนอย่างนี้กับคนที่ได้ไปเห็นอเมริกาด้วยตัวเองเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาด้วยตัวเองวความรู้ในคูงสองคนนี้ใครจะเล่วแน่กว่ากันใครจะถูกต้องกว่ากัน เราก็จะพูดได้ว่าคนที่เคยใช้ใ ช, ชีวิตมีประสบการณ์ด้วยตัวเองจากอเมริกาคนนั้นถูกต้องกว่าส่วนคนที่ดีแต่อ่านดีแต่จำนั่นเนเพียงแต่ผลได้ของการจำกับการอา่านไม่ใช่ประสบการณ์ที่ตัวได้เพราะฉะนั้นลอดิคหรือปรัชญาวิทยาก็เหมือนพวกเองไม่ใช่เกิดจากประสบการณ์แต่เกิดจากการคาดคะเนโ ด, ดยอาศัยรูปคำด้วยเหุผล ส่วนคุณศาสตร์านั้นคือพวกที่ต้องการมีประสบการณ์ในตัวเองให้เห็นทัดในตัวเองต้องการอย่างนี้ศาสาสนาพูดจึงไม่ยกย่องปริทยาว่าเป็นวิชาอันติมา่แต่เพราะว่าถือได้ ว, ว, ว่าเป็นเครื่องมือถือเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องมือสําหรับพาเราเข้าไปสู่สัจจ์ได้ถ้าไม่ถือเป็นจุดหมายปลายทางของสัจจ์แต่ถือเป็นเครื่องมือ ที่จะพาเราไปสู่สัจธรรมได้อุปมาคล้ายๆอย่างนี้ว่าเป็นแผนที่สําหรับพาเราไปหาขุมทรัพย์ที่เราต้องการแผนที่ไม่ใช่ขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ก็ไม่ใช่แผนที่แต่ว่าไอ้แผนแผนที่นี่แหละมันจะพาเราไปหาขุมทรัพย์ได้บางครั้งแผนที่ก็อาจจะไม่ถูากติดเช่นว่าการการประมาณหรือนักปิจูดนัปจูอาจจะผิดพลาดไปจากข้อที่จริงบ้างเน่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังหุ่นตักกะไปเหมือนกัน อาศาสนารามหลังพุทธการได้มีวัทถิหนึ่งเรียกว่าลัทธินายายะลัทธินายายะคำวิทยาศาสตร์ตรในอินเดียนั่นแหะเขาใช้คำว่านายาะศาสนา่านเขาใช้คำว่านายายะแห่งนาย า, ย ะ, า, ยายะเป็นปรัชญาสาขานในึ่งในัพพัฒนะของฮินดูครับคือสัพทัฒนาหรือศานาของฮินดูน่ะประกอบด้วยมางส า, สา นยะอยู่ค่ะในยายะไวยเสสิกะเวดานต์วกขั้นพิเดียกันในยายยะนี่เป็นขั้นพิหนึ่งเป็นพวกที่นยิยมใช้ตรรกวิทยาในการวิเคราะห์ความจริงล้วนๆขัทนิทนายายยะข้างพุทธการยังไม่มีมีหลังพุทธการขั้นิในยายยะนี่แหละได้ตั้งองค์ของปัจ ก, กะตะวันออกขึ้นองค์ปัจ ก, กะตะวันออกนี่เครื่องมือในการที่จะใช้ อธิบายเหตุผลท่านเรียกคำว่าประมาณใช้คําว่าประมาณนะคำว่าประมา ณ, นะามาณา น, นี่เป็นคำที่สำคันมากเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ข้อความจริงในความหมายของพระพิญญาญาตองค์ของประมาณน่ะมีอยู่ห้าองค์ด้วยกันหองค์นั่นก็คือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าปติญญาปติญญาองค์ที่สองเรียกว่าเหตุองค์ที่สามเรียกว่าองคาหอน องค์ที่สี่เรียกว่าอุป น, นัยองค์ที่ห้าเรียกว่ามีคมห้าองค์เดียกันไอ้วันจริงหองค์นี้นะ่ะพูดวันสองวันก็ไม่จบอธิบายจุดวันก็ไม่จบหองค์เนี่ยแต่ก็จำใจต้องเอามาพูดเพาไม่พูดแล้วก็ไม่ใช่ลุงตักกะแล้วต้องมาพูดก็ทำ า, ายู่ฟังก็อาจจะงงเอะไรก็ไม่รู้แม้แต่แม้แต่เสียงตอเราเสียงหนีมนจัดม า, าก็ทักัวเงงเแล้วเป็นภาษาแขกตรงนั้นอะไรนี่เอาากจิงยา ต้นยาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นต้องการตั้งทฤษฎีขึ้นเพื่อจะวิเคราะห์ความจริงเช่นว่าปล่องไฟมีควันปล่องไฟปล่องปล่องปล่องมีควันปลองมีควันเราตั้งทฤษฎีอันนี้ขึ้นมาตลองมีควันไอ้ปลองไฟเราเห็นนี่แหละว่าปล่องมีควันอาการที่เราตั้งทฤษฎีอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ความจริงว่า ทำเรารู้ลองมันมีควนันไอ้ปลองมีควันทำไมที่นี่จะกล่าวว่าปล่องมีไฟเพราะมีควนันปล่องมันมีไฟอาจารยตั้งเราตั้งตั้งหลกักพิสูจนอันหนึ่งก็ว่ า, วาปล่องมีไฟว่านี้นะ ท, ทั้งที่เรามองไม่เห็นไฟนเราตั้งขึ้นบกปล่องมีไฟ อาการที่เราฟังคือว่ากล่องมีไฟเนี่ยเป็นปฏิญญากระที่นายายะเรียกว่าปฏิญญาคราวนี้ทำไมถึงรูปกล่องมีไฟล่ะตอกว่าเพราะมีควันเพราะมีควันอาการที่บอกว่าเพรามีควันนี่แหละเป็นเหตุเป็นเหตุเหตุบุญชัดเกิดจะพิสูจตัวปฏิญญาปฏิญญาคือตัวตั้งหมตั้งง่ายง่ายหมดตั้ง บทตั้งอันนี้เราจะมาพิสูจน์กันบทตั้งอันนี้เรายกตัวอย่างว่ากล่องมีไฟกล่องบ้า น, นี้มีไฟหรือกล่องมีไฟเฉยๆบทตั้งนี้เรืองปฏิญญาทำไมที่มีไฟเราก็ตอบอกว่าเพราะมีควันอัาจังที่บอกว่าเพราะมีควันในเรื่องเหตุเหตุเหตุเหตุเหตุเหตุอของเหตุของบทตัง้ง ที่เราเอามาสร้งนี่แหละเพราะเราเห็นควันเราจึงบอกว่าเพราะมีควันฟองมีไฟเพราะมีควันฟองมีไฟเป็นตะกิญยาเพราะมีควันเป็นเหตุตกอุทานนี่เป็นอง์องค์หนึห่งองค์สององค์ที่สามเรียกว่าอุทาหอนต้องยกตัวอย่างอุทาหอนนี่คือตัวอย่างยกตัวอย่างล่าเช่นเตาไฟ ไมนเตาเตาเตาไฟมีเพราะเตามีควันเพราะมีไฟเพราะฉะนั้นไอ้กลองมีควันก็ต้องมีไฟอาการที่เรายกเตาไฟเป็นข้อเปรียบเทียบเรียกว่าอุทาหรณ์เป็นองค์ที่สามยกอุทาหรณ์ขึ้นมาว่าเตาไฟนี่แหละมันมีควนันมีเป็นอุทาหรณ์นะองค์ที่สามนยอุทาหรณ์ตัดหญาเหตุอุทาหรณ์องค์ที่สีเรียกว่าอุปนัย อุปนายคือการยืนยันลงไปทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกองกองนั้นจึงมีไฟนี่อุปนายยืนยันไปที่ยืนยันตัวเหตุซึ่งมีความสัมพันธ์กับบทตั้งลงไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นกองไฟนั้นน่ะจึงต้องมีไฟนี่เป็นองค์ที่สี่องค์ที่ห้าเรียกว่านี่คมมีคมนั่นก็คือบุตรสรุปให้เข้าบทสอัะพอในวิชาเรขาธรมิก บทสรุปสรุปบอกว่าเป็นอันได้ความจริงว่ากล่องไฟมั้นมีไปแน่นอนว่าจะเป็นแน่ไม่ต้องสงสไยต่อไปแล้วอาการอย่างนี้เดีกว่ามีคมอันเป็นองค์ที่หา่างยายรัทิระยะยาวอูตะกั่มเปียในทางตะลังออกใช้หลักประมาณด้วยองค์าาางห้าประการองค์ห้าประการนี้เป็นหลักสำหรับอนุมานความจริง คือวาความจริงในโลกนี่นะบางอย่างเป็นประจักษ์เรียกว่าประจักษ์ประมาณบางอย่างเป็นอนุมานบางอย่างเป็นอุประมาณอนุมานนะ่ะเป็นการที่จะยังเห็นผมในสิ่งที่เรายังไม่กระจักษ์นะส่วนประจักษ์น่าจะต้องประจกักทางอายุรนาสัมผัสยังไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องกีดขวางหรือมาหุ้มมาบางังมาติดอีกต่อไป นี่เป็นประจักประมาณทิดว่าตาเห็นคนหรือตาเรากำลังดูไฟลกคุกๆๆอยู่เนี่ยควันก็ขึ้นมาตามเรลวไฟอาการที่เราเห็นอย่างแจมชัดเนี่ยเป็นประจักประมาณแต่ในตอนที่เราเห็นตรงว่ามีควันออกมาแม้เราจะไม่เห็นปเปลวไฟเราก็พอจะยังได้ว่าในกล่องนั้นต้องเกิดใ น, นควันอั่เกิดจากกล่องน่ะจะต้องมีไฟ เพราะนั้นที่ใบมีควันที่น้นต้องมีไปอาการที่ละอนุมานโดยที่ไม่เห็นกระจกนี่แหละท่านเรียกว่าอนุมานเป็นหลักอนุมานอนุมานนันจะต้องเป็นสิ่งซึ่งจากสิ่งที่เห็นไปสู่สิ่งที่ไม่เห็นนี่คือหลักอนุมานอนุมานจากสิ่งที่เห็นเพื่อไปให้เด่ดถึงในสิ่งที่เราไม่เห็นอาการอย่างนี้เรียกว่าอนุมานต่างกับประจั ประมาณประจักประมาณนะ่ะเห็นรูจากสิ่งที่เห็นผลจากความรู้จะต้องได้จากสิ่งที่เห็นแต่เรื่อง อ, งอนุมานนะ่ะผลจากวามรู้เกิดจากสิ่งที่เห็นเพื่ออย่างไปสู่สิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่เห็นหนูก็คือควันแต่ไฟเรามองไม่เห็นแต่ถึงกร่นเราตัวรู้ได้ว่ามีไฟถ้าเห็นว่ามีควันปรากฏอันนี้เป็นท่านจ่านต้องใช้หลักของหลัก อันมารอันปราอันประกอบเป็องค์ห่าคือมีปริญญาคือบทตั้งเหตุแล้วก็อุทาหรณ์อุปนายัยมีคนเป็นห้าองค์ด้วยกันสําหรับไปสู่ความจริงที่เราต้องการย ก, กตัวอย่างเช่นว่าคนทุกคนต้องตายคนทุกคนต้องตายความจริงเราไม่เห็นคนทุกคนตายคาตาเราทุกคนหรอก แตถ้ามันเรารู้เราเชื่อเราเป็นคนทุกคนต้องตายล่ะแต่ปรว่าเราเห็นในกอตายในกองก็เป็นคนเพราะฉนั้นเมื่อในกอเป็นคนในขอก็เป็นคนเหมือนกันมีอาการทุกอย่างเหมือนในกอคือรู้จักกินรู้จักเที่ยวรู้จักเสือรู้จักลักเสือลักงานรู้จักเที่ยวรู้จักขี้ทุกอย่างเหมือนคนทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อในกองเป็นอย่างนี้ได้ในขอเป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันที่อุมงคมาได้ว่าในในขอก็ต้องตายเหมือนในกออย่างนี้เป็นต้นอาการที่เราใช้คาดคะเนเอาอย่างนี้แหละเรียกว่าเรื่องของรอยจิต หรือปักจักรหรืออนุมานนี่เป็นอย่างนี้รัชธินายนหนายายได้ตั้งหลักการวิเคราะห์เหตุผลห้าองค์การอันรรประกอบด้วยปติญญาเหตุปูปทาหอนอิตนัยและพลิคมห้าองค์การเดยกันอาตอมาเมื่อพุทธศาสนาปวิทยาในพุทธศาสน า, ศ า, ศ า, ศาเป็นเรื่องของทางมหาญาณเป็นส่วนมาก คือว่าทางมหายาณเมื่อพุทธศาสนาทางมหายานได้อุบัติขึ้นจะต้องแข่งขันต่อสู้กับปรัชญาของพวกกลางเมืม่อพวกกลางได้สร้างหลักในยายะขึ้นมาพุทธศาสนาทางมหายานก็จําเป็นต้องเอาหลักตักกะมาต่อสู้เหดียวกันเพราะฉะนั้นตรกกวิทยาในพุทธศาสนาจึงเริ่มมีเป็นตัวเป็นรูปเป็นล่าษขึ้นในฝ่ายมหายานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในศตรวรรษเจ็ดท่านมาคาราชุนมหาเถระปายมหายาตได้เขียนคำทีมาธยามกะวรติซึ่งเป็นคำทีมีชื่อเสียงเป็นเหตุให้ท่านได้รับยกย่องว่าเป็นพุทธะองติที่องคำทีมาธยามกะวรติน e ีเป็นไปได้หรือรอยุดสำหรับวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นการต่อสู้กับอริรักษี การต่อสู้กับไปรับพี่นี่นะความจริงได้มีมาตั้งแต่กองพิธกการมานแล้วใครจะตั้งรับพิปรชัชญาความเห็นศาสนาใหม่ก็ต้องมีเครื่องมือคือจะต้องเป็นผู้มีความรู้ปฏิภาณรอบตัวในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือสามารถที่จะหักล้างวาทะของบรรดาเจ้าหมู่คณะต่างๆที่เข้ามาท้าตู ว, วาที หลักการต้าวาทีในอินเดียท่านจึงแบ่งออกเป็นสามพวกพวกที่หนึ่งเรียกว่าวาทะได้แก่การโตู้วาทีผู้ที่จะต้องการรู้ความจริงเช่นสิทธ์ตู้กัครูครูแย่กับสิทธิ์ทั้งสิทธทิ์ ท, ธทั้งครูตู้กันก็เพื่อต้องการให้ความรู้ของสิทธิ์มั่นคงขึ้นมีการอธิปบายซักฟอกต่างๆในความรู้อันนั้นอย่างนี้เรียกว่าวาทะพู้หนึ่งพวกหนึ่งเรียกว่าชละปะ ศัลยปะเนี่ยหมายถึงการตู้วารีชนิดพิวะเอาแพ้เอาชนะชนิดพิวะต้องการแกอยู่ฉันไปแกไปฉันอยู่ต้องการเอาแพ้เอาเอาชนะหักลา้างหักโคตรเป็นการอักล้างวาทะดีวาทะเป็นการที่เราต้องการตั้งทฤษฎีอันใหม่ตั้งหลักปรชัชญาอันใหม่ตั้งหลักการศาสนาใหม่แล้วก็ต้องหักลา้างความเชื่อเดิมๆหรือความเชื่อผิดๆให้หมดไป เป็นฝ่ายตรงนั้นข้าของเราอาการตุ้งตาทีอย่างนี้ท่านเรียกว่าชัละปะัะนี่เป็นตัวที่สองตัที่สามเรียกว่าวิตันทาวาทีวิตันทาวาทีพวกวิตันทาวาที น, ทาานี่ได้แก่ตัวที่ไม่ต้องการจะตัวเองไม่ต้องการจะตั้งหลักการหรือต้องการตั้งหลักที่อะไรขึ้นมาหรอกแต่เป็นฝ่ายที่อยากจะหัดคอเขาเลยไปไม่ว่าใครก็จะตั้งอะไรขึ้นมา กูจะขอเป็นนักขับมันลื่นไปแหละเป็นนักขับตานานอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาที่ไหนก็มีการอภิปรายธรรมะ ก, กันอภิปรายปัญหากันมีกา ร, รแสดงวัตถิความคิดความเห็นกันกูจะต้องไปเป็นยาดำคอยขัดคอยแทกคอยหักล้างมันลื่นไปแล้วคันเขาถามหมอแล้วตัวแกอะไรความเห็นอะไรบ้างไม่มีทั้งนีความเห็นอย่างเดียวความเห็นแก่ไม่ใช่ไม่ได้ทั้งขอขัดแกตะพื้นตะผือพวกนี้เดียกว่าข้ามตะบันมีหน้าที่ข้านตะใบ น, นี่ โูที่กูก็ไม่อยากจะตั้งความเห็นอะไรขึ้นมาเลยมันมีความเห็อะไรทั้งสิ้นแต่ขอทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านประพฤติพูดไปพวกนี้เดี๋ยวพี่ตั้งพาวากีสามพวกเด็กกันนะคือพวกวาทะพวกหนึ่งพวกนี้ตัแย่งู้่เต้องการจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างจริงๆไม่มีเจตนาอื่นเลยอีกพวกหนึ่งพวกชลระปากหักล้างวาทะหรือวาพทะตัวตั้งรัที่ใหม่ขึ้นมาหักล้างพวกเก่ามีพวกชลปะแล้วก็พวก วิปันธาพวกข้างตะบันสามพวกด้วยกันนี่คือสามพวกทั้งสามพวกนี้ข้งพุ้ตการมีเยอะแยะพระพธเจ้าของเราเราประจมานักต่อนักแล้แล้วก็ทรงเอาชนะพวกนี้มาทุกข้างไปเลยพระองค์จึงถูกยกย่องขึ้นว่าเป็นยอดแห่งวาทะบรรดาไม่หมูบรรดาเจ้าวาทะแล้วพระองค์เป็นเยี่ยมยอดมีผู้ใดสู้ได้มีมคนคนหนึ่งอาข้าเจกามีคนเนี่ย ขุยโมอวดคุยโ ม, ยโมในเมืองเวตาลีตอนนี้ต่อนหน้าจะพระพุทธเจา้าคุยโม้มันจะดพันเจ็ดคืนบอกว่าถ้าวันไหนแล้วก็ดพระพุทธเจ้าครับแล้วก็ฉันจะเอาลาพะลา่ามหรือลาพะคือใช้วิธีที่สองคือศิละปะแล้วก็จะทำให้ทําพระพุทธเจ้าเนี่ยมือนหนึ่ ง, งม้วหนึ่งที่ถูกเด็ดต่อยขาหักต่อยก้ามหักแล้วเอาเชือกเอาเชือกผูกลา่ามเล่นตามผนาง คุยโม่อย่างนี้นะพวกเก่าลึกชีวิตในมึงเวียมาดีมันไสเต็มทนแล้วไอ้หมอนี่มันคุยโมดีแต่โวคุยขืนเว้ยแหละคุยโมจะกระทั่งว่าความรุ่งทุตัวน่ะมีมากกระทั่งจะคุมจะแตกอยู่แล้วต้องเอาแผ่นทองแดงมาคาดคุนตัวคุมจะแตกเพราะความรุ่มันพุ่กันอยู่ทุนเยอะแยะแตกลงไม่ความว่าพวกนี้คนเขาไม่ถือวความรู้อยู่ที่มันสมองไม่อยู่ที่จิตใจหรอกเขาก้าวหม้อบางจุกอินทิกระเพาะถ้าจะกินเก่งมัเพราะนั้นความรุ่งเขาน่ะมันกินได้ มันเกิดมันก็ท้องตูท้องป่องเอ้อนะท้องัวท้องมันจะเล้ามันจะพังออกมาเอาแผ่นทองแดงข่าพื้นมาไล่ตอคพงจะแตกความมู้มันจะไหลมาทางพืนแล้วก็เชื่อคุยโมย่ใ น, นเมืองเวสาลีพ อ, อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึง ป, ป่ามหาวันพวกเจ้าลิขวีก็รีบวิ่งไปบอกว่ามาแล้วคนที่ตัวท่านปรารนาจะไปหักล้างวาระในวาะระบอกว่า จะทําเหมือนอย่างเด็กต่อยก้ามปูหักจับปูปูผูกกรเชือกลาบผูกล้าบตามถนนแบบนี้มาแล้วประทับอยู่ที่ปามหาวันโ น, น่นไงเชิญไปที่คราวนี้แหละสักกะนี่คนก็ต้องปกตะไคล่ถอยโจนูนเพราะตัวคุยมานักแล้วพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงปราบพิถิมานะของนี่คนคนนี้ได้หมดนี่คนคนนี้เหือแตกซิกทีเดียวก่อนหน้านี้คุยบอกว่า อย่าว่าจะคนจะมาต่อยาตีากับข้าเลยแม้แต่เสาไม่มีวิญญาณถับประจนหน้าข่าแล้วก็โอ้ยเสา ก, ก็สันสะเทือนเลยหมดบัดนี้สัจกะ น, นี่คนนั่งเอาผ้าคาดตับเหลือตับแล้วตับเหล่าไม่หยุดไม่ย่อนถ้าผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสัจกะท่านได้คุยเคืองในบนเวสาลีไม่ใช่หว่าแม่โต้กับเสาที่ไม่มีมีวิญญาณอ่ะเสาก็ยังต้องสั่นสะเทือนหวั่นไหว บัดนี้ในตัวท่านกำลังสั่นสะเทือนอยู่เรือแตกจากหน้าผาตกมาที่ตัจกจากปากไหลามาที่พื้ น, ท, นท่านพิจารณาดูสิว่าเรือสถาคดีหรือไม่แม้แต่เม็ดเดียวถามสัจจกะนิคอนอย่างนั้นสัจกะนิคอนก็อายนะแต่ธรรมดานักปราในอินเดียครัง น, นั้นหนึ่งเหมือนนักปราปัจจุบันนักปราในครั้งนั้นน่ะถ้าแพ้ก็รับตัวพอ่อไม่มีแบบที่ดีกว่ามวยล้มคุณไม่ล้มอย่างปัจจุบัน เพราะนั้นสัตว์ปก็อยอมลับโดยหน้าชื่อตาบานบอกว่าพระเจ้าค่ะเพราะขาดพระองค์เลวตามความเลวซ้ำขาดพระองค์นี่เองสําคัญพระผู้มีพระภากว่าเหมือนคนที่ควรจะขับเที่ยวเสมอกันได้นะธรรมดาคนที่ไปเที่ยวในป่าไปปรเจอพบช่างศารสับมันก็ดีหรือพบพยาสิงหราชก็ดียังมีหวังจะเอาชีวิตรอดในปา่า แต่ใครก็ตามที่มาปร ะ, ะกับสมณะโคโดมล้อไม่มีทางรอดโคเที่ยวโดยคนเดียวพระเจ้าค่ะข้าพระองค์อยู่หมัดหมดแล้วอยู่มัดพระองค์หมดแล้วไม่มีทางเลยเหมือนประทะกับองไฟใหญ่เพราะฉะนั้นข้อความสำคัญถิ่นของข้าพระองค์เองจีเลยคามสำชามาตีเสมอข้าพูทมีสภาขอพระองค์จงให้อภัยต่อข้าพระองค์ได้เถอะในความรู้เท่าไม่ถึงการนี่เป็นคําสารภาพของนักปูวาที ด้วยวิธีการใช้ชลปากนี่เป็นเพียงตัวอย่างใตัวอย่างต้องทาทันเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยทำจนมาแล้วก็ะสงเอาชนะเพราะฉะนั้นการในการโต่ ว, วารีเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้หลักตักกะทั้งทั้งที่เขาโอ้ยต้องการจะใช้หลักตักกะแต่เรื่องจากในการหักล้างวาทะของพวกปัญญาเจ้าหมูสเจ้าคณะเจ้าศาสนาต่างๆพวกนี้บางครั้งก็ต้องใช้หนึ่งลอยิเข้ามาเป็นเครื่องมือ ดันั้นลอยดิจิตเป็นเครื่องมือสำหรับพาไปสู่ความจริงแต่ไม่ใช่ตความจริงและไม่ใช่ทางไปสู่ความจริงอาจจะเป็นเพียงอุปกรณ์อย่าไปคิดึงว่าเป็นความจริงหรือเป็นเครื่องมือชี้ตรงไปถึงความจริงไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์จำแม้ว่าเป็นเพียงอุปกรณ์เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงห้ามว่าในกาลามัสุกมาตักรเถตุมาเมายเถตุมาอาการะปริวิตัะเจนะห้ามให้ใช้ในกรณีที่ว่า จะให้ถึงความจริงแล้วอย่าไปใช้ในเรื่องนี้เลยแต่หากว่าในกรณีจําเป็นในการโต่ ว, วาทีจะหากร้างวาทะ ก, กันแล้วบางครั้งก็ต้องอาศัยเป็นเครื่องมือได้และพุทธสาวกในฝ่ายมาหายานีก็จําเป็นต้องอาศัยหลักตรกะเพื่อจะต่อสู้กับปรัชญาของพรามเาัาในฝ่ายมาหายานน่ะอาจารย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งศักรวิทยายุคใหม่อินเดีย คือท่านทินนาคเป็นชาวแทนอันธรรชในอินเดียพัตตานีชีวิตในตศตวรรษที่สิบหลังพุทธรภรตะิพานท่านทินนาคผู้นี้มีลูกเศรษฐีท่านธรรมจิรติเป็นผู้มีชื่อเสียงมากจากานกระทั่งนักปราศตะวันตกเขยายกย่องว่าเป็นเอ็มมนูเอม็มค้่นธรรมจิรติกับทินนาคเนี่ยเป็นเอ็มมนูเอ็มค้านแห่งตะวันออกที่เดียวเอ็มมนุเอ็มคั่นเนี่ยเป็นนักลอจิกนักประชามธีของยุโรปที่มีชื่อเสียงที่สุด ในการใช้หลักตรรทวิทยาสร้างหลักศัพทวิทยาอธิบายแนวปรัชยาของครัเอาท่า น, นากินนาทากก์ท่านธรรมเกเติซึ่งเป็นคณาจารย์ในฝ่ายมหาญาณแล้วก็เป็นชาวอินเดียใต้ด้วยกันนั่นท่านก็มีชื่อเสียงจนกระทั่ทงฝรั่งยกย่องว่าเป็นเอมมูนิเอริคันของตะวันออกได้สร้างหลักตรรทวิทยาในแนวคุตตาศสนาใหม่แตกต่างจากตรรกวิทยาของพวกพราหมณ์ ตา ก, กวิทยาในพวกคราหมนั้นเรีายกวรานัยย่านะครับเป็นของเก่าส่วนปา ก, กวิทยาในพุทธศาสนาในมหายานนั้นไม่เรีวายวรานัยยะเรียกว่าเหตุวิทยาคือวิทยาที่แสดงเหตุผลวิเคราะห์เหตุผลจึงเรียกว่าเหตุวิทยาเพราะนั้นถ้าหาว่ารับทศคำว่าเหตุวิทยาแล้วก็รู้ได้ว่านั่นเป็นเรื่องของตา ก, กวิทยาในศาสนาพุทธเรียกว่าเหตุวิทยา อามหาวิทยาลัยสูงในอินเดียครั้งเมื่อศาสนาพุทธยัรุ่งเรืองอยู่ได้บังปุตวิชาเหตุวิทยานั้นเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพิสุสมัมมณีที่ต้องศึกษาเพราะว่าหน้าที่ของพระเป็นนักเผยแผ่เมื่อเป็นนักเผยแผ่แล้วก็ต้องมีคนมาลองดีภูม่มรูกผู้ที่มาลองดีก็เป็นพวกเจ้าและที่อื่นเขาถ้าพระเนรมีความรู้ในการแก้วาปีแล้วก็แพ้รับมีเรื่องปรากฏแล้วที่หนึ่งเวสาลี ในศตวัตษที่๙ปรากฏว่าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาตด้วาระแพ้ผู้คลามถูกจะามอลอีสาลีออกกฎหมายห้ามให้พระปีละครั้งสแสดงธรรมแก่ประชาชนเป็นเวลา12ปีเต็มจนกว่าสา ม, มารถตู้วารีเอาภัยชนะจากคืนมาได้จนกระทั่งคณาจารย์ในพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อว่าท่านอดันตะอารยเทวซึ่งเป็นชาวลังกา เดินทางข้ามเดินทางข้ามทะเลมาอินเดียแล้วตรงไปที่ธรรมศาลาในเมืองเวสาลีอีลังเป็นการใหญ่แสดงว่าพวกผู้ที่จะมาแก้ลํำแทนทุตสาสนามีตัวแล้วเพราะฉะนั้นหน้าดหน้าไหนคนใดเชิญ ม, มามาโต ว, วาธีด้วยวาธีกันไดน้ปรากฏว่าท่านอาเรเทวะได้สามารถโต ว, วาธีเอาชัยชนะจากพวกพรามและผู้ไพรัชช เป็นจำนวนตั้งร้อยรอยนาทีท้ายแพ้ไปหมดพุทธธรรมจะไม่รุ่งโรคขึ้นในเมฝายิวกวาระนะัตนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเนื่องจากความจําเป็นในการเพื่อที่จะคระโดงตัวศาสนาให้คงอยู่ตรรกวิทยาจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการโต้วาทีหักล้างสิ่ที่มาตั้งข้อปรับระว่ากับพุทธศาสนาได้เหตุนี้มหาวิทยาลัยสงในข้างนั้นเช่นนาวันทา มิกรม ร, ร, รมาศีกาโอทัมตะุรี่ชัตะุรีโสมนาตะุรี่รามตะุรีเป็นมหาเนียรายเหล่านี้โดยมากตั้งในควม้มดีหารได้บั่งติหลักเถริโตวิทยาลื่นลอยอยู่ในทัศศาสนาเข้าไว็นวิชาบังคับเช่นะที่จะต้องเรียนในวิชาบังคับผู้ที่เรียนจบเถริโตวิทยาแล้วจะต้องกลายเป็นนักพูดนักโตวาทะที่มีสีปากหาใครเตยเตยยาสามารถไปทํางานธรรมพูดอย่างได้ผล ใครจะมาตั้งประเด็นข้อค้านป า, าพระพุทธในแง่ใดมุมใดเป็นสามารถแก้ความเข้าใจสอบกลับไปได้ลดอันนี้เป็นหลักสำคัญมากความจริงหลักนี้น่ะในพุทธการก็มีอยู่แล้วเรียกว่าวิธีเรียกว่าเวทันลังซึ่งเป็นองค์หนึ่งในสัจธรรมของพระองค์ด้วยเวทัลังเวทันลังลักษณะคําสอนพระพุทธเจ้าที่มีลักษณะเป็นเวทันลังนั้นก็คือลักษณะการตั้งปัญหาแล้วก็มีคําตอบอธิบาย เป็นคําถามคําตอบูง่ายๆบ้าเป็นวิชาอภิปรายธรรมะวิชาอภิปรายธรรมะน่ะพุทธสาวกเเรียนกันมาแล้วค ร, รั้งพุทธกาลและพระพุทธเจ้าเองเป็นผู้สอ น, ชนเชด้วย้เนี่ยตัง้งปัญหาขึ้นแ ล, ล้วก็ทรงวิจารนาเองแล้วมิฉะนั้นตมตั้งหัวข้อปัญหาหมอบให้กับสาวกนําไปอภิปรายการอภิปรายข้อธรรมะในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนั่นเราเรียกว่าเวทําลังยกตัวอย่างเช่นขอสูตรนี่ เรื่อามหาเวทันละสูตรกิลเวทันลสูตรเป็นตัวอย่างยกสูตรสองสูตรเป็นหนึ่ตัวอย่างเป็นคําถามคําตอบคําถามคําตอบคําถามคําตอบอาจารย์ที่ตั้งเป็นคําถามแล้วมีคําตอบนี่เพื่อที่จะตักซ้อมความเข้าใจในพุกธำรามของหมู่สาวว่าถูกตอบถ้ามีอะไรสงสัยเครือบแฝงอยู่ก็จะเลยมาตีแผ่กันให้แจิมแจ้งกันไปเวทันลังนี่แหละต่อมาได้คอยแกรย้รูปเมื่อลังพิจารณาแล้ว ถ้าเคยแปลรูปออกมาเป็นรูปของเหตุวิทยาหรือลอยิบในพุทธศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องลอยิบในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องหลังพุทธการที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็มีเข้ามาแล้วตั้งแต่ขรังพุทธการแต่ข้างพุทธการน่ะเนื่องจากพระองค์คอยย้ำอยู่เสมอว่าอย่าไปสนใจต่อเรื่องการตีที่ปากเลยควรจะมาสนใจในเรื่องปฏิบัติขับเก้าพิเรศดีกว่าหากเป็นในข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้น ตามเจริญของศักวิทยาในพุทธศาสนาข้างพิจการจึ่งยังไม่ปรากฏุดเพื่อมาปราบสุดหลังพิทการเพราะว่าครั้งพุทการน่ะพระพุทธเจ้าท่านมีพร ะ, ธ ะ, พร ะ, ธะ น, นระธรรมชีพอยู่ท่านก็เป็นผู้ออกรับสุดแทนสาวกในส่วนมากในเวลาที่มีพวกเจ้าและพี่มาตั้งข้อค้านพระองค์ก็ออกรับหน้าแทนหลักล้างบาปเล่านั้นไปในส่วนสาวกคงให้ต้ปฏิบัติกันมากๆแม้จะมีภาษารีบุตรบ้าง สมมาหามุขราณาบังพระกุมารกัจจักปะบังซึ่งเป็นเจ้าวาระที่มีชื่อเสียงอย่างภาษาดีบุตรเนี่ยสามารถหักล้างวาทะของนางชัมชัมผูปริคาชิกานักเดือดรีนอกราสนาคนหนึ่งซึ่งตั้งวาระหนึ่งท่านนี่ว่าการวาทะปักจินว่าลงดือกองตายที่มึงตาวัตถีแล้วก็ท้าว่าใครทอนจีนว่ามาเจ้าวาทะแบถ้าแพ้จะยอมให้เธตจมยันทาแกง จะทำไงก็ยอมหมดหือเขาะจะเอาไปมเมี ย, นนยก็ยอมเพิ่งนาดนี้ถ้าหาว่าแพ้แล้วก็ไห้ทิดจะเอาชายใดแต่ช้ำตัวล า, าแพ้ชายใดแล้วชา ย, น, ายนั้นก็ไปขนันบวชแตหนฉันเอาเป็นเมียฉันก็ยอมสุดไปรุนเมียของชายคนนั้นเออถ้าหาว่าเป็นนักบวชจะให้ฉันกับใจกับพิธีได้ไปลูกศิษยที่ม่ยอมอ่าหรือจะให้ฉันเป็นทาสีทาสาวแล้วยอมหมดทำไมอะชาตวะักานามีความมั่นใจว่าพิธีของตัวถึงปานนี้แต่จริงว่ามันกองฟ จรงว่ากองตายนี่แหละไม่มีใครกล้าไปจับเพราะใครๆ ร, รู้ว่านา ง, นางชัมพุกริพาชิกาเซนเนี่ยเป็นนักตีปีปากสําคัญที่สุดเรื่งฝีปากแล้วใครอย่าไ เ, เกลียดคับคุณแม่คนนี้เลยป้องคํา น, นักเดียร์นะเขาจะว่าแล้วก็ปากจัดจริงๆแต่ว่าธรรมดาปากจัดอย่างทะลอกกันเนี่ยไม่มีเหตุผลนะนี่แต่ไอ้ปากจัดแบบนี้น่ะเหตุผลท้าวตัวเป็นนักโรจิไม่มีใครจับเหตุผลเต็มตัวหมดเป็นนักปรัชยามเหตุผลเต็มตัว ภาษาที่บุพรมิบาททานมาเห้นเด็กกาลังเล่นกองตายลอบๆอยู่แต่ไม่มีเด็กคนไหนกล้าไปถอนไอ้สิ่งว่าต้นที่ปักอยู่ก็ถามเด็กว่าเออหนูอะไรวะไอยที่ปักว่าอยู่บนองตายเด็กก็บอกว่าของคุณแม่ทําทพุทธกจิตาครับผมทาไมมัปักกไวายล่ะเขาพาว่ว่าถ้าใครสักร่างวาธาเขาหนึ่งพข้อได้เนะเขาจะยอมเป็นอะไรสมบัติของคุณคนนั้นหมดภาษาบุตรก็บอกเออหนูถอนเถอะ พอผมไม่กล้าว่าวฉันสั่งให้ถอนถ้าบริพารชิกาผู้นั้นมาถามว่าใครสั่งชี้ไปนะชี้ไปที่เฉดตะวันนะบอก ว, ว่าชื่อสายบุตรเป็นสาวกของอาหลานขึ้นมาของผู้เจ้าเป็นผู้สั่งให้ถอนเด็กก็ถอนออกมาพอตอนเย็นนางทำผู้บริพารชิกาเดินผ่านมานางข้ามาตรวจไอ้กิ่งวางนั่นทุกวันนะ่ะเชา้าผมเย็นนนเดินมาตรวจดูว่าใครจะมาถอนบังนล่าตอนนี้มาถึงบ้านเด็กมือบอนรวกนี้เนี่ยมาถอนกิ่งว่างขาดาเด็กมองไม่ใช่หกนู้นหรอก นั่นนายพระสารีบุตรเลยน่ะเป็นคนสั่งให้ขอนเออท่านอยู่ที่ไหนไหล่ะก็อยู่เขตตวันอยู่ทิศนะั้นทินั้นนางชัมพุปริพาชิกาก็วิ่งแจ้นไปเขตะวันท า, วาทาบุวาพระสาลีบุตรพระสารีบุตรแก้ไล่หมดทั้งพันข้อเลยแพ้หมดทั้งพันขอ้อตีปัญหาของนางทำพุปาริพาชิกาแตกหมดทั้งพันขอ้อนางชัมพุปริพาชิกายอมแพ้บอกว่าถึงตอนนี้แล้วที่ท่านเป็นสมบัติของพระคุณเจ้าแล้ว แต่พระพิใจจะไปทําอะไรก็ตามใจเถอะพระสัลิวชูจะใช้มาทำอะไรเธอไม่ได้หรอกน้องหญิงเอาเถอะเมื่อเธอยอมแพ้แล้วเธอตรงมาเป็นพุทธกสาวิกาเถอะนะเลยนางทําพุทธปริภายิการเลยกลับใจออกบวชเป็นนางที่สุดนีได้บรรลุภาระฐานในที่สุดนี่แม้แต่สตรีในครั้งนั้นยังมีความสามารถเห็นปานี้นี่เพราะฉะนั้นออนหลังพุทธการแล้วไอ้ความทะเลาะยิกของที่ายายะนะ ปรัชญาสาขาอื่นๆเขามาใช้หมดในพุทธศาสนาเราก็ต้องมีท่านคินนาที่ว่าเมื่อครู่นี้ได้แต่งคำพีตักกะวิทยาในพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดคำพีเล่มนี้ชื่อว่าประมาณะสมุดใจลูกศิษย์ของท่านคือท่านธรรมาเทียรติแต่งหนังสือตักกวิทยาถึงิบเอ็ดเล่มมีเล่มที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าระา ย, ายะพินทุระ ย, ยะพินทุ มีชื่อเสียงมากในคำวิประมาณสมุตใจนี่ท่านทีหน้าได้วิจารองห้าองค์ของหลักอนุมานของตากบิทยาพรามที่ประกอบด้วยปฏิญญาเหตุอุทาหอนแล้วก็อุปนัยมีคมว่าห้าองค์นี้นะ่ะพุ่มเปรี้ยเกินไปความจริงนะ่ะหลวตาองค์ก็ออกคือตัดอุปนัยกันมีคมออก คงเหลือปรปิญญาเหตุเก้าธาหอนกอออแล้วอปุปนมยกมีคมไม่จะเป็นเลยถ้าเรายกอุทาหอนขึ้นมาย่ําแล้วอปุปนายกมีคมนะ่ะรว ม, มในอุทาหอนด้วยนะเช่นว่าฟองลองไฟฟองมีควันเหตุลองมีควันนะ่ะเป็นปรปิญญาเหตุฟองลองมีฟองฟมีควันแอนะอะไร เพราะมีไฝฟรองมีควันเกตเพราะมีไฟอุทาหรณ์อุทาหรณ์แล้วเตาไฟไงล่ะเตาไฟมีไฟต้นมีวันนี่อุปนายไม่จําเป็นมีคมไม่จําเป็นอุปนายกับมีคมน่ะเอาเข้ามากับปุ่มปืนก็เปล่าเพราะฉะนั้นศัพทวิทยาและพุทธศาสนาจึงมีสามองค์แตกต่างของครามครามท่ามีห้าองค์ของพุทธมีสามองค์คือมีเพียงศติญญาอันเป็นบทตั้ง ทีเราจะมาวิเคราะห์ความจริงแล้วก็เหตุแสดงเหตุผลแล้วก็อุทาหรณ์คือตัวอย่างพอแล้วแค่นี้ไม่จะเป็นตั้งสายอุปนัยกันมีคมเข้ามาการใส่อุปนัยกันมีคมเข้ามาเนี่ยเป็นตามปุ่มเกลือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นศัพทวิทยาในพุทธศาสนามาถึงสมัยกันปินมาอื่นโยห้าองค์ของวิทยายะเหลือเพียงสามอันประกอบเป็นปติญญาเหตุอุทาหรณ์ พแล้วสามข้อนี้แต่ในสามข้อนี้นะท่านทั้งหลายทําไมพระวิปิจ้าจึงไม่ยกย่องว่าตัจจวิทยาเป็นอันตริมาของสัจจะทำไมถึงไม่ยกย่องผมยกตัวอย่างหน่อยๆนี้เถอะว่าเราเห็นคันเราบอกปลองไฟปรองนั้นมีไฟเพราะมีควันใช่ไหมอนุมานีก็ดูเป็นเหตุผลดีอยู่ยกตัวอย่างว่าเตาไฟนี่ล่ะเตาไฟมีไฟก็มีควัน เพระาะในกล่องแม้เราจะไม่เห็นไฟแล้วก็อนุมานได้ว่าในกล่องนั้นน่ะมีไฟถ้าเราเห็นควันพุ่งออกมาจากกล่องไอ้ควันนี่แหละเป็นครื่องมือเป็นครึ่งประกาศที่ให้เราอย่างทราบได้ว่าให้กล่องนั้นมีไฟถ้าดูเหตุผลเพียงชั้นนี้ก็ น, น่าฟังแต่ว่ามันนี่ใช่ความจริงเสมอไปน่ครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ DC, ยดีดฉีดเยอะๆมันก็มีควันถ้าเธอเอิญใครตะปอาดีดีตีฉีด ไปในใต้กล่องฟองไปในโรงงานโดยที่มันเดินเครื่องเหมืนเชื่อไฟเลย DDT ฉีดเป็นการใหญ่แล้วควันุ่วงมาจากกลองถ้าเราจะใช้หลักของเราอีกว่ากลองไฟนั้นมีไฟเพราะเราพราะมีควันลอหยิกแบบนี้ถูกต้องไหมเป็นสัจจะไหมเราจะเห็นได้ว่าไม่เป็นสัจจะแต่แล้วพี่ใดมีควันที่นั้นมันจะต้องมีไฟที่ใดฉีด DDT เยอะๆที่มันควันท่งออกไป DDT มันจะไฟเอ๊ะ ฉนนั้นในการที่เราจะวิเคราะห์บอกว่าเพี่ยเราเห็นควัมก็รู้ว่าที่มั่นจะต้องมีไฟทั้งๆที่ตัวเราไม่ต้องไปที่นหนไม่ต้องไปเห็นไฟไปดูกตาเราเองพี่แต่เห็นควัน ม, มันพ่งขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าที่นั่นมีไฟไม่จริงไม่จริงเสมอไปเพราะเหตุนี้รอยิกจริงไม่ใช่สัจจ์แต่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับให้เราพิสูจน์ในกรณีสัจจ์บางกรณีได้เท่านั้นไม่ใช่ตัวสัจจ์แท้ พระพุทธเจ้าจึงไม่จึงไม่ยกย่องจึงได้ห้ามว่าอย่างไรคำว่ามาตักเหตุมาในยะเหตุอย่างอย่างเนี้ถ้ถาสผื่อพระองค์ไปยกย่องว่าจักวิทยาเป็นปัจจัเป็นของจริงใช้ถูกต้องเป็นปัจจธรรมแท้ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเรื่องน่าระในกรณีที่เรียกว่าอธิบายมีควันนั้นมีไปถ้าวัามี d v บีดดเยอะก็มีควันมือนกันโดยไม่จ้องอาะสายไฟอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหลัการทักฐานหลักเหตุได้แล้วในการใช้หลักอนุมาน เพราะฉะนั้นอนุมานคุปตะลเนียจึงไม่ใช่ว่าอนุมานแล้วจะถูกความจริงเสมอไปอาจจะถูกความจริงต่อสิเกเรื่องแต่ไปไม่จริงเรื่องเดียวก็ใช้ไม่ได้แล้วแสดงว่าเรื่องวิชาหน้าไม่ใช่สัจจะไปแล้วผิดกับหลักอริยสัพย์อริยสัพไม่ว่าจะสมัยใดเมื่อใดขณะใดเราเอาเอ า, เ อ, าอริยวิเข้อความจริงในอริยสัพแล้วก็ถูกเหงทุกผิดว่าทุกมีที่ไหนเหตุเกิดทบกตัวมาจากปัญหาตอนน้องมีที่นั่นนะ แล้วความดับเขาก็ต้องดับที่ปันหาถ้า ต, ตันหาไม่ดับพขาก็ไม่ดับมันก็เป็นความจริงทุกกรณีไม่ว่าจะพิสูจนี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็ได้ความจริงมาเพียงเท่า น, นี้เพราะฉะนั้นอริยสัจจริงเป็นเรื่องตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงเป็นสัจธรรมเรื่องดใดเป็นเรื่องตายตัวมันมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็ัจธรรมได้ส่วนหนึ่งเราหยิกนะมันยังไม่ตายตัวมันเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณีเพราะฉะนั้นราหยิกหรือปัจจวิทยาจริงไม่ใช่ปัจธรรมแค่อะ มีตัวอย่างในชาบุที่แสดงให้เห็นว่ า, เ, าเรื่องของตักกะนะ่ะใช้ไม่ได้ในกรณีค้นหาสัจจะในอภัณกะชาบุท่านล่าบอกว่าพระโกธีต์เสวยชาติเป็ น, น, น, น, ปนไม่ก่องเลี่ยนพ่อค้าคุมสินค้าไปขายในต่างแดนแล้วก็มีพ่อค้าสองคนเป็นเพื่อนกันต่างคนก็มีเืินบริวารตุกละห้าร้อยหาร้อยเล็ ผมจะค้าไปขายในต่างเมืองแต่เส้นทางที่จะผ่านนะ่ะต้องผ่านที่กันดานแห่งหนึ่งมีระยะทางถึงหกสิบโยชน์ที่กันดานมากกันดานมากแล้วก็มีอันตรายต่างๆนานาประการอาพ่อค้าสองคนีต่างคนก็ต่างแข่งขันกันค้าข า, ขายนี่พ่อค้าฝ่ายหนึ่งก็บอกกับพ่อค้าฝ่ายแรกซึ่งเจ็นทัพปูธิปัดบอกว่าท่านอย่าเพิ่งไปเลยนะโอกาสนี้ขอให้ผมเป็นคนนําสินค้าไปล่วงหน้าก่อนท่านเถอะ คือพอค้าคนนี้ไม่กไหวจะไปตีตลาดก่อนอาจจะได้ราคางามถ้าเราไปตีหลังเข้าละก็สินค้าเราจะกลายเป็นเด่นเขาซื้อเขาขายกันไม่หมดแล้วเราพาไปก็จะกลายเป็นเด่นไปเท่านั้นขอไปล่วงหน้าก่อนถ้าปููที่ใส่ก็ยอมยอ ม, ยอมเทียลาะโอกาสให้พอค้าคนนี้ก็คุมลูกน้องไปให้มันทุบอาหารมันทุบน้าที่จะไปกินไอ้ถิ่กนกานกานได้พอครบควรทีเดี่ยวคุมกันไปเป็นขบวนใหญ่ล่วงหน้าไป หลายวันพอไปถึงที่ถินกันดานเขาเห็นคนหมู่หนึ่งนั่งเกวียนน้อยๆสวนผ่านมาคนหมนู่นี้เน่ะตัวเปียกผมเปียกในมูอกำลังแคะเน่าบวัวกินกันตัวๆอร่อยเครียมันมันหวา น, วนแล้วก็เอาดอกอุบลนเนี่ยมาทับสิ็งคือประดับกายตามขาตามมือนี่มีโคลนแฉะเปื้อนติดอยู่เสื้อผ้ามีโคลนติดมอมมังมันๆอยู่ ปวดเรือเปียกหมดผมเท่าเปียกเองเดินสวหทางมามาถึงก็มาจ่าเกันเขอาพวกพี่สวนทางมาก็เอ๊ท่านจะเดินเลยท่านจะไปขนตุมน้าใส่น้าไปทำไมนักเวียนประโเราอูทางข้างหน้าฝนตกใหญ่เมืองนอนไปหมดบ่อน้าก็มีจะาโบกรามีก็มีพวกเราไปไว้น้ำเลือหมุ่บ่าโบกระมีหากเอาดอกมือมาประดับกายขุดเอาเน่ามือรักาหนีน่เห็นไหม ตัวเนี้ยเปียกตอนอยู่เห็นไหมล่ะว่างั้นเออพวกพ่อค้าลายนี้ก็เห็นเออจริงฮะเรานี่โง่เนี่ยทางหน้ามีน้ำมีท่าพ้านกับตกน้ำข่ากับบริบูรแล้วทำไมเรังมาข น, น, น, นหน้าไปกระออมกระออมตักใส่หายใส่สุ่มมันทุกเกินให้นักกระตมันฝังนี้หน้านบอ่อต่อองทิ้งให้น้านออกโวยการจะได้ไป ว, วุวายหน่อยเกวีมันหนักคนระับเร็วเเดี๋ยวพ่อค้าลายที่สองจะตามมาทำนะแล้วเราเลยจะตีตลาดชักล่วงหน้าก่อน ปล่อยองค์ทิ้งหมดน้ำท่าไหลหมดแล้วไปกินเอาน้ำขนาดพวกนี้พอไปถึงไม่มีน้ำให้กินไม่มีน้ำเลยเลวันนี้ก็จบเรื่องตะกัตยาเพียงสังเกตเพียงสำหนึ่ง